ตู้ให้แก่โรงพยาบาลอำเภอหนองพอกพรอำเภอหนองพอกเขามาดูแลพระเนนวัดปู่เจ๊กก็ท่านนี้ท่านมอบให้จากท่านท่านก็ได้จากไปเมื่อหลวงปู่จากไปแล้วรถคันนี้เขาก็ใช้ประจําการอยู่ที่อำเภอหนองพอกวิ่งส่งคนไข้เข้าจังหวัดร้อวันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวรถใช้มาถึง1 5บ6ปีท่นี้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 นึ่งดูได้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับความสะดวกสบายอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอำเภอเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก่อนเขาก็ใช้วิชาหมอสุดความสามารถของหมอในท้องถิ่นในอำเภอนั้นๆแต่ทุกวันนี้มีการฟ้องร้องกันบ่อยมากกระทงหมอทางอำเภอเนะ <c oughs> ในชนบทหมออำเภอเนี่ยขายาดเหมือนกันลกลัวไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องตัวเองเมื่อไรทั้งที่ตัวเองเจตนาดีอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เมก่อสุดความสามารถของหมอในท้องถิน่นจะให้หมอเหมือนหมอในเมืองก็คงไม่ได้เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือหมอในเมืองกับหมอชนบทมันก็แตกต่างกันเพราะนั้นหมอในชนบทหมออำเภอเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยมองๆดยแล้ว เอมันจะหนักหนาเนี่ยรียบส่งนะเพราะนันว่าคำว่ารีบส่งคํานี้แหละมันจำเป็นจะต้องได้ใช้รถเข้าไปส่งคนป่วย <S 1> <S 1> <S คันสองคันเนี่ยไม่พอใช้แต่นิ่งเขา่าวิ่งออกวิ่งเข่าวิ่งออกเข้าไปส่งโรงพยาบาลสูงอุดรเนี่แหละจะให้ความจำเป็นการใช้รถมันก็สูงขึ้น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 อแต่หลวงพ่อไปดูจะสร้างเจดีย์คุณแม่เนี่จะสร้างยังไงนะถ้าจะสร้างในวัดก็แคบเกินไปแล้วจะเอายังไงเขาจะขายหรือเปล่าเนะนอกวัดเนะี่ยเขาเป็นป่าหลวงพ่อก็ะทำโอ้คุณแม่เอ้ยอพวกผู้ค้านี่จะสร้างเจดีย์ถวายคุณแม่นะขอให้พูดง่ายๆให้น้อยนะเถอะให้คุณแม่ช่วยบา ร, รมีของคุณแม่ช่วยให้พูดง่ายๆเถอะ ที่จะถวายที่ดินเนี่ยซื้อที่ดินเนี่ยแต่ในหลวงพ่อกับไปก็บอกเอ้ยเป็นไงเจ้าของที่ดินจะขายไหมเนะี่ยทั้งนอกเน่ยราคาเท่าไหร่แต่ในเขาก็เราก็พูดแล้วก็เฉยแล่ละคิดว่าเดี๋ยวต่อไปค่อยพูดกันอีกอ๋อพอพูดไม่นานเน่ยเจ้าของที่ดินตามมาเลยเขาร้อนเงินพอดีเลยจะเท่าไรแล้วไร่ละสองหมื่นถึงสามหมืน่ะไ่แรกนะ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 เป็นของหนูนั่เองยาท่านว่าไงก็เลยเขาเรียกยาท่านมั่นนะก็ตั้งชื่อว่ายาท่านเป็เคารพสุดเหมือนกันยาท่านมั่นเออใจท่านมั่นต้องการไหมอยากจะได้ไหมเออถ้าหากว่าเราจะให้เราก็ยินดีเอจะสร้างวัดตรงนั้นโอ้ถวายเลยยาท่านมอบถวายเลยเออมอบถวายให้ยาท่านเลยถ้าได้หลวงปู่มั่นก็กเลยรับพอรับเสร็จแล้วท่านให้พรนี่ไง นางแก้วเอ้ยอขอให้เจ้าเนี่ยคำว่าทุกยากจะได้มีนะเนออให้ให้มีทรัพย์สมบัติไหลามาเทมาไหลลินมาย่าให้ขาดสายให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญเนอะนางแก้วเนอะเอคุณแม่ก็ซาทุเลอจากนั้นก็มอบให้จากนั้นก็เลยตั้งตั้งวัดเนี่ยว่าวัดหนองน่องอตรงนั้นเป็นวัดหนองน่อง